أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ا ج م ع ي ن سبحانك لا ع ل لا م ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا و إ ل م ت ف ر ل, ر نا ل نا ن ا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين الحمد لله ชูกรุณาอง Allah سبحانه และ تعالى ในทุกๆเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน่ายินดีหรือเรื่องที่น่าโศกเศร้าล้วนแล้วแต่เป็นกอาวกระดับของ a l l า h سبحانه และ تعالى บางทีเรื่องที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเศร้าก็อาจจะมีบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่เป็นฮิกมัด เป็นวิทยาปัญญาที่อัลลอฮฺสุลตานาอัลละห์ต้องการที่จะสอนเบ่าวของพระองค์นะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะเจอเรื่องที่น่ายินดีหรือเรื่องที่น่าเศร้าเราทุกคนก็ยังต้องสู้กับชีวิตที่ยังมีอยู่จนกว่าเราจะได้กลับไปหาอัลลอฮฺสุลตานาอัลละห์นะครับอย่าได้ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเราจะไม่กลับไปอาคราตแม้ว่าจะเป็นเรื่องดี รเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีบางคนมัวยุ่งอยู่กับเรื่องที่ตัวเองคิดว่าเป็นที่สุดของชีวิตในดุนยาจนกระทั่งลืมบัรปลาสุดท้ายในวันอาคราชหรือบางคนก็อาจจะจมอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตในดุนยาจนประนมินว่าไม่มีชีวิตที่ดีกว่านี้อีกแล้วในวันอาคราชมันก็ไม่ใช่นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นก้าอและกัลป์ขอ Allah s u b h a n a h ทั้งสิ้นขออูอาวอจะ Allah s u ภ h a n a h u Taala นะครับมันมีดุอาที่ดีมากๆอยู่ดุอาหนึ่งซึ่งผมมันเป็นดุอาที่สามารถให้กำลังใจและพลายความทุกโศกรวมทั้งให้ให้เขาเรียกว่าเอ่อให้เรายอมรับนะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรา จริงๆแล้วดูอานี้เป็นดูอาสําหรับคนที่สิ้นหวังคือไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทําไมบางคนก็มีเหมือนกันบางทีงมันก็อาจจะมาในชีวิตของเราบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเฟลกับชีวิตจนกระทั่งไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่เราเลือกไม่ได้นะครับเราไม่สามารถที่จะฆ่าตัวตายเพื่อที่จะหนีจากความรู้สึกแบบนั้นได้เดังนั้นมันก็เลยมีดูอาท่านนาบีเนี่ยสอนเราทุกอย่างนะครับสอนมันกระทั่งดูอาเวลาที่เราเกิดภาวะแบบนี้ มันค่อนข้างยาวนะครับแต่ผมอยากจะอ่านให้เราฟังสักรอบหนึ่งถ้าใครสนใจหนูอ่านี้ก็อาจจะไปหามัเก็บเอาไว้เป็นหนอาประจตัวก็ได้นะครับอัลลฮบุม ب إ ل م ك الغيب و ق د ر ت ك على ا ل خ ق أ ح ي ّ ن م ع َ ل م َ الحياة خيرَ لي ت و ف ن ي م ع َ ل م َ ا ل ف ا ة خيرَ لي ا ل ل ه إني أسألك خ ش ي ة ك في الغيب وشهادة وأسألك ك ل م ة الإخلاص في ر ض ا والغضب และอัล ا ัฮฺตรัสว่าและขอให้เราได้รับการช่ ا ยเหลือจากพระเจ้าผู้ทรง و ีพระคุณและทรงมีพระบุญคุณดังนั้นเราจึงต้องรู้จักการอธ ه ษ ل ة ة ه ا นอย่างถูกต้องและถูกต้องตามหลักธรรมดั ا น د ้ ا เ م า ت ึงต้ ا งรู้จักก ا รอธิษฐ ا ل อย่ ا งถูกต้องและถูกต้องตามหลั ا ธ ل รม ด้วยความรอบรู้ของพระองค์ในสิ่งที่เร้นลับเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยหรสิ่งเร้นลับเนี่ยอัลลาฮฺอัลลอฮ์รู้หมดวัคตุรติกาละเคลและความสามารถของพระองค์ในการกําหนดในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะยินีขอพระองค์ทรงให้เรามีชีวิตอยู่มะอัลิมตัลัยะตะไครรัลลีตราบใดที่พระองค์นะครับรอบรู้หรือทรงรู้ว่าชีวิตเนี่ยดีกว่าการตาย บางทีเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยดีกว่าหรือตายของเราเนี่ดีกว่าม่อไม้อรัดเป็นผู้จัดการถ้าเราควรจะต้องมีชีวิตอยู่ก็ให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปว่าทว่าหนีมาัลวฟัลวฟตอัลแล้วก็ให้ฉันตายไปซะถ้าพระองค์คิดว่าการตายของฉันนี่ดีกว่าการที่ฉันมีชีวิตอยู่จบละท่อนแรกก็จบแล้วไม่ต้องพูดแล้วอย่างนี้ Oh, tuh seng tuh yang Allah tahu deh, warau. Warau kuan jadi hidup, warau kuan jadi set hidup. Subhanallah. Allah, Allah ma ini as alukah khush ya taqafil gai biwa syahada. Ya Allah, saya mohon kekeringan, takut, pada orang. Um. Mau jadi yang lab atau yang jeang, yang kita ada sendiri, yang kita ada dengan banyak orang. As alukah kalimat al ikhlas. Dan mohon memberi syukur, memberi ikhlas. Uh, bang bang diwajibkan kalimat hak. หรือคําพูดที่เป็นสัจธรรมฟิ ร, ริดะในยามที่เรายินดีวลกาดะหรือในยามที่เรากโกรธบางทีเวลาที่เราเวลาที่เราดีๆเนี่ยเราพูดเราพูดด้วยความอิคลาสเราพูดด้วยความดีแต่พอเรากโกรธขึ้นมาปุ๊บมันทะลุกออกมามันระเบิดออกมามันอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาบางทีไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเป็นบ้าเต็นเพราะฉะนั้นยามที่เราดีๆอาการปกติ หรือยามที่เราโกรธโดนใช้ตอนครอบงำก็ต้องขอดูอาณาจักช่วยให้เราควบคุมตัวเองให้ได้ว่อัลอัลกุศลฟิลฟักรวะลิเขอความเขาเรียกว่าอัลกศหมายถึงใช้จ่ายบนเส้นทางที่มันเป็นกลางฟิลฟักรวะลินอยามที่เราจนหรือยามที่เรารวยให้มันเป็นทางสายกลางนะครับ ไม่ใช่พอมีตังเราใช่ใช่ๆๆ่พอหมดแล <laughs> ้วนั่งเหงาให้ม <segundos ígen ened> ันมีความพอดีนะครับไม่ว่าจะวินตอนที่เรามีหรือตอนที่เราไม่มีว่าอัลลุกรรดะาบิลกัตาะนะขอให้ฉันเนี่ยได้มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ Allah กำหนดมาบนตัวฉันว่าบารดลัยชีบะดลมะมาและขอให้มีชีวิตที่สงบสุขหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปแล้วว่าอลุคเลดเดะตาหน้ารีเอลวัจพิก ขอให้ฉันมีความสุขในการมองไปยังพระพักของพระองค์ Allah ในสวรรค์นี่คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะครับและเดทนะรับอีลาอัจฉร์วะโชควะอีลาลิกะอีกและขอให้ฉันมีความปราถนาที่จะพบกับพระองค์ในสวรรค์ในไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น ขออย่าให้มีอุปสรรคในการที่เราจะได้เห็นอัลลอฮ์ในวันอาคิรัตในการที่เราจะโบยบินหัวใจของเราจะโบยบินไปหาอัลลอ์นี่คือสุดยอดแห่งความรักที่เบาวจะต้องมีนะครับก็คือตอบพระผู้อภิบาลของเขาเองอัลลอฮ์มะจัลนีอัลลมะจัลาอั์มะเซยินนาบิซีนาติลิมานยีอัลลอ์ได้โปรดระดับประดาตัวของฉันด้วยการประดับประดาแห่งศรัทธาหรือแห่งอมาน ว่าะจ้าอลนาหูดะสมกตดินขอให้เราเป็นผู้ที่ได้มีฮ i d a y a ์ได้ชี้ทางคนอื่นแล้วา็ได้มีฮ i d a y a ์ในตัวเองดีไหมครับดูานี้ใครอยากได้บ้างดูาแบบนี้นะมันสอนเราเยอะมากบางทีดูาก็สอนชีวิตให้กับเราได้นะต้องฝึกท่องดูาแบบนี้เอาไว้นะครับเอาไว้เป็นดูาที่ที่เราใช้ในกรณีที่เราเกิดความรู้สึก นะับบางอย่างที่มันมาคอยมาทำลายการต่อสู้ในชีวิตของเราตลอดไปสุรัตุลกิ亚马เรามาพูดถึงสุรัตุลกิ亚马กันอยู่นะครับเรากำลังนำชีวิตหรือวิญญาณของเราให้เราได้รู้จักวันเกียร์มัดมากขึ้นนะครับอัลละวันนี้อายะที่ อ, อที่5านะอายะที่5าม่นต่อไป <ت ص في ق> أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه จ أ สั่ง ن َเَียนเยื่อุลที่ยาม فإذا برق ا ل َ ص ر و َ خ س ف ا َ القمر วَ ج ُ ميع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المخر كلا لا, لا จ ر ร่ำไปสู่พระเจ้าถึงพระเจ้าจะร่ำไปส บาลีอินซา وعلى نفسه بصيره ولو ألقى معذرة لا تحرك به لسانك لتعجالي إن, إن علينا จงมัว فإذاقرأنه ัฟัตตั حمد لله بل يريد ا ل ن س ا ن ليفجر م ا م ه م ا م ه อันนี้เป็นการเป็นอายะที่สืบเนื่องจากอายะที่นั่นนี่นับที่ละตัลละเริ่มต้นสุรุตุลกิยามะ ด้วยการสาบานสาบานอย่างหนักเลยนะครับกับวันเกียัติเองและกับกับชีวิตหรือกับนับสู้ที่คอยตำหนิว่ามนุษย์นั้นมนุษย์ที่กฟิร์นะครับก็คือปฏิเสธว่าอัลลอสฺซุบฮ์ฮะตะลาเนี่ยจะทำให้เขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในวันอาคราตแ ล, ละอาัลลอฮต ت ع าก็ได้ตอบโต้ไปบปลวาไม่ใช่อย่างนั้น قادرينا على أن نسوي يا بانانة อัลาลอฮต ت ع า ل นั้นทรงมีความสามารถแน่นอนนะครับหลักฐานก็คือในดุนยานี้สังเกตดูแม้กระทั่งนิ้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนี่ยแลแตา่ลาสามารถที่จะทำได้ขนาดนี้เนี่ย แน่นอนว่าการที่เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันอาคาราชเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กหรือ อ, อ, อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าพระองค์ทรงมีความสา ม, มารถที่จะทํามากกว่านั้นอีกมากกว่าอะไรมากกว่าการให้ฟื้นขึ้นมาไม่ใช่ฟื้นขึ้นมาเฉยๆถ้าพระองค์ต้องการจะทําให้นิ้วมือเนี่ยมันเท่ากันหมดก็ยังทําได้เลยในวันอาคาราชจะให้มีเท่าให้เท่ากันหมดเลยนิ้วมือนะครับนี่คือความหมายที่บรรดา น, นักรับซีร ได้อธิบายนะครับเป็นการบอกเล่าว่ามนุษย์เนี่ยปฏิเสธวันอัคราึงขนาดนั้นอยั้อที่หเนี่ยสืบเนื่องจากเรื่องดังกล่าวก็คือ value do not exist life is a matter เป็นการบอกอีกรอบหนึ่งว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่มนุษย์คาดเดากันว่าจะไม่เกิดวันอาคราหรือ ที่พวกเขาตั้งคำถามพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกแต่เพราะว่าต้องการที่จะเลี้ยจยุต้องการที่จะทำชั่วอามามต้องการที่จะทำชั่วต่อไปไม่ยอมเตาบัตรตัวสุ้านัลล่นลอันนี้แหละที่ผมเคยที่เราเคยพูดนะครับว่าคนที่ไม่ยอมศรัทธาต่อวันอาเครั์เนี่ยเนื่องจากว่า เขาไม่สนุกไม่มีความสุขที่จะทำชั่วถ้าจะทำชั่วให้สนุกต้องไม่เชื่อวันอาเครัสเมื่อไหร่ก็ตามที่เชื่อว่ามีวันอาเครัสปุ๊บไม่สนุกละมันหมดสนุกที่จะทำชั่วทำชั่วกน็นึกถึงนรกมัน <c oughs> จะสนุกตรงไหนก็เลยลืมซะลืมลืมวันอาเครัสซะจะได้ทำอะจะได้ <c oughs> เขาเรียกว่าสุดเุียงกับการที่ทำตัวเละเทะจมดิ่งอยู่กับอบายามุกการปฏิเ Allah สธอ Allah u b h a n a u wa t l a นะงูซุบิลลาห์มิไดล้ละฮาวล า, ว ล, า, วาละปวดใจละเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดไปทั้งหมดก่อนหน้านี้หรือที่ถามหลังจากหลังจากนั้นอ่ะ yes alu ayya ยมไหนนะคถามนี้เป็นคาถามเชิงเขาเรียกว่า เชิญปฏิเสธหนวันอาครจะเกิดเมื่อไรถามขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะปฏิเสธไม่ใช่ถามที่อยากจะรู้ว่ามันเกิดเมื่อไรหรอกนี่คือการถามหรือการล้อเลียนเยอะๆของบรรดามุชริกีนอูซูเบลลามนาลิมาดูคำพูดหรือว่าคำอธิบายนะครับที่เขาบอกว่าในตัศษี่เขาบอกว่า จะเสารู أ آ آ آ آ ้เอ่อเลี้ยามถึงแต่ยูรีดุลอินซานลี่ยุคดบะ בי ุมิล قيام ตีอัลสับติลุกูรฟิลวลค์ที่ลียาช้าบุอัลลอฮูอัยฮิวะจัลลามนุษย์เนี่ยต้องการที่จะปฏิเสธวันอัคราตอยู่นะครับไม่ยอมที่จะเชื่อไม่ยอมที่จะศรัทธา بل يريد الإنسان أن, أن يستمر في فجوره وتكريبه بيوم القيامة في الحال و في المآل. มนุษย์เนี่ยต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่ปฏิเสธวันอาคราสอยู่ตลอดไปวันนี้วันหน้าพรุ่งนี้เดือนหน้าไม่ยอมที่จะสัททานะครับยอมหรือต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะครับในขณะที่ตัซีว่าตัซีบอกว่า เอ่อววรววรูยา عن عكرمة وسعيد ابن جبير والضحاك والصدّي وغير واحد من السلف هو الذي يجعل ا ل ذ ن ّ ف ا و ب ة คนที่ทำบาบทำบาบทำบาบและไม่ยอมตบัดตัวสักทีมนุษย์เป็นยางไงเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่ศรัทธาต่วันอครเนี่ย อินชาอัลลอฮ์นี่คือผลที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าผลจากการที่เราศรัท ธ, ธาตะวันอาคราตเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีนะครับช่วงเวลาที่มนุษย์นั้นทําบาปแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาศรัท ธ, ธาตะวันอาคราตเนี่ยเขาสามารถที่จะฉุดตัวเองได้ฉุดตัวเองให้เลิกบาให้หยุดได้เพื่อที่จะไปเตาบัดตัวอัลลอฮ์ سبحانه ะก็สั ต, ตวตอหหัวลลนะครับเพราะฉะนั้น ผลร้ายของมันนี่มีมีเยอะมากนะครับอบลลาฮมิาเลนี่คือการที่อัลลอฮฺสวาบแต่ละแฉ์ให้เรานะครับพฤติกรรมของผู้ที่ไม่ยอมศรัทธาต่อวันอาคารา์ก็คือเหตุผลที่พวกเขาไม่ยอมศรัทธาต่อวันอาคารา์ก็คือล am ียัฟยูรออามะายังอยากจะทำบาปละฮาววะลาห์ก ah. so ah ูอัตเเลลาบิลลาฮซาฟรุลลอฮุอะตูบเล นี่เป็นอี๋เราจะว่ายัางไงดีเพราะว่านักสูของมนุษย์เนี่ยมันฮะบางทีมันก็ยังมีความรู้สึกอย่างนี้นี่แหละที่เราเรียกว่าอันนักสุลเลวะมะอันนักสุลเลวามวาเรายังไม่ถ ال ึงท่านอันนักซูอัลมุตมอินน่ะจะทำยังไงให้เราให้เราปรับตัวเองเข้าสู่สภาพของอันนักสูอัลมุตมัยน์น่ะไอ้มา ถ้าตอนนี้เรายังต่อสู้อยู่กับภายในตัวของเราอยู่เนี่ยพยายามสู้ต่อไปนะครับอย่าท้อแน่นอนว่าการต่อสู้นี้หนักกว่าการต่อสู้ข้างนอกมากการต่อสู้ภายในจิตใจของเราเองเนี่ยหนักกว่าการที่เราต้องต่อสู้กับคนข้างนอกบางทีสู้กับตัวเองเนี่ยหนักกว่าสู้กับคนอื่นเยอะสู้กับคนอื่นพอที่จะหลบได้บ้างแต่สู้กับตัวเองจะไปหลบที่ไหนอะ ขานานเอาผ้ามาคลุมหัวก็วยังอยู่สู้กับคนอื่นหนีหนีไปประเทศอื่นอหนีไปนู่นนีหนีได้สู้กับคนอื่นหนีได้แต่สู้กับตัวเองจะห น, นีไปไหนนี่ไม่พน้นลาฮาอัลลาฮ์ลาอูอัลทรลลาฮ์ล้นี่แหละอุลมามะบางท่านจึงมองว่าจิฮาดุนนัสการต่อสู้กับตัวเองวละลาดีนะจาฮะดูฟีน่แล้วนะดิอันนะฮุบูลนะในตรงเนี้ยมุสลิมต้องสู้กับตัวเองนะครับ ต้องสู้กับจิตใจที่คอยบงการให้เราทำผิดให้เราคอยออกจากเส้นทางอัลลอฮฺสุบฮานาตัลลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละครับทุกๆวันเนี่ยเราก็ต้องสู้กับชีวิตของตัวเองอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งนคืออัลฮัมดุลิลละสำหรับเราเรายังมีศรัทธาอยู่แต่สำหรับคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยเขาไม่ต้องสู้แล้วสู้ทำไมอีก นี่แหละที่อายักที่สองที่บอกว่าวลาอัลกุซิมุบินนัฟซิลลาอวามะอุลามะบางท่านนักท afsir บางท่านบอกว่านี่คือชีวิตของมุสลินมุสลินเท่านั้นที่จะตําหนิตัวเองคนที่ไม่ใช่มุสลินเนี่ยเขาไม่ตําหนิตัวเองหรอกเพราะอะไรเพราะเขาสนุกอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่มีวันที่คนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาจะตําหนิตัวเองในการในการที่เขาทําผิดเขาจะไปตําหนิตัวเองก็ต่อเมื่อเกิดวันอัครา ในโลกนี้เขาไม่ตำหนิตัวเองเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบพวกเราทุกคนว่าพวกเราเนี่ยชอบแบบไหนพวกเรามีไหมโมเมนต์ที่คอยมาด่าตัวเองมีไหมอย่ารู้จักแต่ด่าคนอื่นอย่ารู้จักที่จะคอมเมนต์แต่คนอื่นเคยคอมเมนต์ตัวเองไหมฮะบางคนก็มีเหมือนกันก็เรียกว่านักจับผิดรู้จักแต่ที่จับผิดคนอื่นนี่จับผิดได้หมดเลยแต่ไม่เคยจับผิดตัวเอง ไม่สามารถที่จะตำหนิตัวเองไม่มีความสามารถไม่มีทักษะในการที่จะอัพเกรดตัวเองด้วยการวิเคราะห์ว่าตัวเองเนี่ยผิดตรงไหนบกพร่องตรงไหนนะอุบิลลมินลิกระวังให้ดีนะครับนี่เป็นคำพูดของอัลฮัซันอัลฮัสซันอัลบสรีนะครับที่เราพูดไปแล้วแล้วก็นักกับสีรวางท่านที่อธิบายนะครับสอบความมา คนที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์นี่เขาจะอยู่อย่างนี้ยปฏิเสธวันอันธรรพ์ปัญญาวันทันยูดีดี فإذابرق البصر พระตัวนี้เนี่ยมันให้ความหมายว่าเหมือนกับหลงอยู่แล้วจู่ๆก็เกิดวันอันธรรพ์ขึ้นมาเสอีกเโดยที่ตัวเองไม่ทันตั้งตัวเพราะไม่เคยคิดมาก่อนไงไม่เคยคิดไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจแล้วอยู่ดีๆพอเกิดวันอันธรรพ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย มันเหมือนกับเป็นอเมอร์เจนซี่เป็นอุบัติเหตุเอ้ยอะไรเนี่ยไม่ทันแล้วไม่ทันละแล้วขอร้องกับอัลลอฮฺสุบไบร์ตอัลลอฮ์เพื่อที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่มีเวลาแล้วไม่มีแล้วพ อ, พอขอร้องที่จะกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งอัลลอฮไม่อนุญาตอีกต่อไปละในขณะที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ไม่ยอมที่จะกลับมาทบทวนไม่ยอมที่จะตําหนิตัวเองไม่ยอมที่จะคิดแล้วพอบันตายขึ้นมา กียร์มห์เนี่ยจริงๆแล้วอัลเกียร์มห์นี่มันมีทั้งกียรมัตแบบเล็กและกียรมัตแบบใหญ่กียรมัตแบบส่วนตัวกับกียรมัตแบบส่วนรวมยังไงครับกียรมัตเล็กกียร์มห์ส่วนตัวคืออะไรก็คือวันที่เราหมดลมหายใจอันนี้คือกียร์มห์เล็กหรือกียรมห์แบบส่วนตัว แต่ละคนก็มีวันเปียมัดของตัวเองก็คือวันสิ้นอายุไขเระวินเวลาไม่ได้อีกแล้วหรือเขาเรียกว่าขอเวลากลับมาได้อีกไหมตอนที่อลัาลลอลฺให้มาลาคุลมัดมาดึงชีวิตเราออกไปเนี่ยจบไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ในขณะที่เกียรมัดใหญ่หรือเกียรมัดแบบส่วนรวมก็คือวันที่อลัาลลอลฺจะทําให้โลกนี้สูญฉลานั่นก็คือวันที่อลัาลลอฮฺบอกว่า فإذا برق ล ل ب ص ر ในวันที่สายตานั้นงงงวยแล้วก็ตกใจสะพึงกลัวบริกรบริกลวศดิษะวัตถัยยะมันไม่ตกใจได้ยังไงนะครับสภาพที่เกิดขึ้นอัลลอฮอธิบายว่าอย่างไงวะขสะฟัลกอมรดวงจันทร์จะดับแสงดวงจันทร์ที่เคยมีแสงนวลไม่มีแสงให้เห็นแสงหมด ว่าจ ا ل ش อาชัมสู่วะลุคามร์ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ซึง่งตอนนี้มันอยู่กันคนละคนละองศากันคนละละติจูดคนละคนละที่กันเนี่ยพอถึงวันอัคราอัลลอฮฺ تعالى จะเอามาจุมีอาเอามารวมกันดับแสงหมดแล้วก็เอามารวมกันบางเรียอว่าบอกว่าเอาไปทิ้ง ไฟ น, นรกด้วยก็คือทําลายมันซะเพื่อที่จะบอกกับมนุษย์ว่าสองตัวเนี้ยสองอย่างเนี้ยเป็นมะลุกกรรดสุภภาวะอะไรอยู่ในการควบคุมของพระองค์ทั้งสิน้นดวงจันทร์ก็ดีดวงอาทิตย์ก็ดีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ในสุราอื่นที่เราเรียนมาทั้งหมดสุราตุลักุยสุราตุลเอฟิตอร์ยูรุสามสิที่เราเรียนมาเยอะมากนะครับสภาพของวันของวันอัคราเทลาตัลจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอ อายัดนี้เนี่ยสุภานั่นลวันก่อนเราอธิบายอะไรนะเรื่องลายมือของมนุษย์ไปแล้วใช่ไหมครับที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุภานัลนลอายัดอัลกุรอานกำลังพูดถึงวันกิยามัตอยู่แต่ก็ไม่ววยที่จะมีเรื่องราวหรือบทเรียนที่ให้เราได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยอายัดนี้ก็เหมือนกันว่าจุมัอัชัมุวัลกมร ยาคูลอินซาโยมไอ้ยินไอ้หนึ่งลมฟาวันนั้นมนุษย์จะพูดออกมาว่าเราจะหนีไปไหนไหนว้าเราจะหลบหนีไปที่ไหนได้บ้างพี่น้องครับนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักนักอุลามะบางคนนักวิชาการบางคนเนี่ยอธิบายว่าอายักนี้อัลลอฮฺอัลเลาะห์ลังอธิบายวิทยาศาสตร์อยู่เราสามารถที่จะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาอธิบายอายักนี้ได้ดวงจันทร์วะฮุสิฟัลกามาร์ุสิฟัลกามารเนี่ย ก็คือการเกิดสภาพของจันทรุ ป, ปราคาใช่หมครับมันมีจันทรุ ป, ปราคากับสุริยุ ป, ปราคาจันทรุ ป, ปราคาคืออะไรคือการที่อะไรอยู่ตรงกลางทดสอบความรู้ทั่วไปไหน่อยจันทรุ ป, ปราคาอะไรอยู่ตรงกลางสุริยุ ป, ปราคาอะไรอยู่ตรงกลางฮะ ดวงจันทร์อยู่ตรงกลางโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงจันทร์ไปกั้นเอาไว้ไม่ให้เราเห็นแสงของดวงอาทิตย์เราเรียกว่าสุริยุปราคาใช่ไหมครับจันทรุปราคาก็คืออะไรอยู่ตรงกลางโลกอยู่ตรงกลางดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกไปอยู่ตรงกลางตรงนี้ทําให้แสงจันทร์ไม่สามารถแสงดวงอาทิตย์ไม่สามารถที่จะไปกระทบกับดวงจันทร์ก็จะทให้เห็นดวงจันทร์เนี่ยมืด พี่น้องลองสังเกตดูข้อนี้บอกว่าวันอัคราชเนี่ยจะเกิดจันทรุ ป, ปราคาคือโลกอยู่ตรงกลางแล้วอะไรอะไรก็จะรวมกันระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์รวมกันยังไงโลกจะหนีไปไหนไอนเอลมาซารคนที่อยู่ในโลกจะเราจะหนีไปไหนจะหนีไปทางขวาจะหนีไปทางซ้ายนี่คือนี่คือมหัศจรรย์ อายันอัลกุรอาน سبحان อัลลอฮเกิดจันทรุปราคาเมื่อไรท่านนาบีสัลลัลลอฮุาวาลลอฮิสุ ल แลมจะถึงถูกย่างจะรีบมาละหมาดเพราะกลัวว่าจะเกิดวันอาคิราพวกเราเวลาเกิดจันทรุปราคาเราทำอะไรเหรอไหมก่อนทำอะไรฮะราหูอมจันทำอะไรนะตีปิ๊กตีปิ๊กเลยไล่มันไป สุบฮานัลลอฮ์นี่อีกข้อหนงตัดบบุหรีดีวาขั้ศ์ล์คมารว่จุมอัลชั่งุวัลมารโลกนี้ไม่พ้นต้องกระจุยแน่นอนยกลลอินซาอูยามะอิรินไอนึ่มาฟาร์จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอะกัลลาไม่ไม่มีไม่มีอัลลอฮ์ต้าลาบอกกัลลาไม่มีละวาซรไม่มีที่นีไม่ต้องถาม ไม่มีที่หนีจะหนีไปไหนไม่มีละวอซารไม่มีไม่มีที่ปลอดภัยในวันนั้นที่ที่ปลอดภัยก็คือสําหรับผู้ศรัท ธ, ธาก็คือที่เทวะเตรียมไว้สําหรับผู้ศรัท ธ, ธาเพราะฉะนั้นผู้ศรัท ธ, ธาเนี่ยจะเสียชีวิตก่อนจะเกิดวันเกียร์มัตทุกคนถ้าใครเป็นผู้ศรัท ธ, ธาจะเสียชีวิตก่อนวันเกียร์มัตรหรือสภาพของวันเกียร์มัตที่จะเกิดการกระจุยกัน ของอดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทองฟ้าทั้งหมดเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นตอนหน้าผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจะตายไปก่อนแล้วเราแต่ละด้วยความเมตตาของพระองค์จะไม่ให้ผู้ศรัทธาได้เห็นสภาพนั้นจะมีลมรําเพยใช่ไหมครับอธิษบานว่าจะมีลมยินที่พัดมาแล้วผู้ศรัทธาก็จะตายหมดเลยไม่มีผู้ศรัทธาคนไหนที่ดูดลมนี้นต้องเสียใจว่าจะเสียชีวิตก่อนเพราะสภาพนั้นมันน่ากลัวเกินไปที่จะให้นะครับผู้ศรัทธาได้มองเห็น الحمد لله إن شاء الله الل ان. Alla, الله أعلمنا ال ال من أهل الإيمان ั้นแหละแล้วจะไปหาพระองค์ทุกคนไม่มีทางที่จะหลบนีไปจากการ ควบคุมองพระอง์ของพระเจ้ายุนบ้าอื่นสารุยว่าเมื่อดบ่มาคัตเตมและอัครวันนั้นมนุษย์จะแจจงยุนบ้าบ่มากัมสิ่งที่เขาทำคัตเตมสิ่งที่เขาทำผ่านไปวละอัครสิ่งที่เขาทำหลังจากนั้น หรือเขาบอกว่าหรืออาจจะอธิบายว่าบีมากัตดะมะหมายถึงความดีที่เขาได้ทำและความดีที่เขาไม่ได้ทำสิ่งที่เราน่าจะทำแต่เราไม่ได้ทำและตะเราเอาใะมาบอกด้วยเพื่อให้เราคาิดว่ามนุษย์ในวันอาคราเนี่จะมีสภาพอันเลวร้ายยที่อธิบายไปแล้วเลยแหละอ่ยที่นี้ก็อธิบายลยติยที่สองได้ พวกเราถึงแม้จะเป็นผู้ศรัทธาพอถึงวันอาทิรัตเนี่ยวันในโลกดุนีย์เนี่ยเราก็ตําหนิตัวเองแล้วใช่ไหมครับพอวันอาคิรัตเราก็จะตําหนิตัวเองอีกรอบหนึ่งตรงที่ว่าดีแต่ไม่ทําก็มีบางอย่างที่มันควรจะต้องทําแต่เราละเลยพอถึงวันอาคิรัตอ๋อฉันน่าจะทํามากกว่านี้ฉันน่าจะทําเยอะกว่านี้ฉันน่าจะทําดีกว่านี้ไอ้นั่นฉันก็ไม่ได้ทําไอ้นี่ฉันก็ยังไม่ได้ทําละหมาดนั่นฉันก็ยังไม่ได้ละหมาดบวชวันนั้นฉันก็ยังไม่ได้บวช บริจาคตรงนั้นฉันก็ยังไม่ได้บริจาคคือมัว่วเพราะถึงวันอาขาัด ก, ก็จะมีสภาพอย่างนี้เหมือนกันเพราะตัวเองจะได้เห็นว่าตัวเองทําอะไรบ้างตัวเองไม่ได้ทําอะไรบ้างไอสิ่งที่เราจะทําเราเห็นคู่ของเราเห็นคู่โอของเราทํานู่นทํานี่โอ้เขาทําได้เยอะมากแล้วเราทําได้น้อยอย่างนี้แ่ละครับสุภานอัลลอฮ์ในขณะที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาแน่นอนว่าต้องต้องแย่กว่านั้นอีกเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรเลยอิละฮ์อิลลัลลอฮ์อ่า อะไรนะแต่ละยุนออู่อาเลยนะในสุรัตุลฟักรี่ Allah ตะลาบอกว่าขดัมตุลิ حياة ติยาเลียตันีขดัมตุลิ حياة ติยาเลยตันีขดัมตุลิ حياة ตนี่คือคำพูดในวันอาคราลน่าจะทำมากกว่านี้น่าจะอิบาดัดให้ดีกว่านี้นี่คือคำพูดของของมนุษย์นะครับทั่วไปในวันอาคราเลย เพราะฉะนั้นยุนบ้าอื่นสันว่าเมาอิหร่บีมาพัฒนาไม่ต้งสิ่งที่เขาทำว่ามัวว่าว่ารสิ่งที่เขาไม่ได้ทํานะครับละเขาละว่าปวดใจละเป็นละมีคําพูดที่ดีมากนะครับของอิบนุกะซีร์ไม่ใช่อิบนุกะซีรคําพูดของอะไรคําพูดของอิบนุกะซีร์นี่ قال الإمام من كثير قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر أي يخبر وا بجميع ا ع م, م ا ل ه قديمها وحديثها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها น <t> ี <t> ่ก็เป็นการต فسير แบบหนึงหมายความว่าลลาจะให้เรารู้จะให้เราเห็นทั้งหมดแม่ว่าสิ่งที่เราทาตั้งแต่แรกแกคือรวมหมดเลย ไม่มีไม่มีการงานใดที่เราทํานอกสิจากว่า Allah Taala าาะจะให้เราเห็นหมดนี่คือความหมายหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่เราทําทั้งหมดเป็นการตัดสีอีกแบบหนึง่งนะครับอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของอายัดนี้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าอัลลอฮ์สุบฮาวัต Allah เนี่ยมาแจ้งให้เราทราบอย่างเดียวว่าเนี่ยเธอทํานี้บ้างเธอทํานี้บ้างนะแต่ว่าจุดประสงค์ของอายันี้จริงๆก็คือต้องการที่จะบอกว่า Allah Taala จะตอบแทน ตามที่เราทำด้วยถ้าใครที่ทำดีก็จะได้รับผลตอบแทนตามจำนวนที่ทำหรือมากกว่านั้นโดยความเมตตาของล่องสุภาวาใครที่ทำชั่วก็จะได้รับผลตอบแทนที่ตนได้ได้ทำไปอะไรต่อครับบรนะแท้จริงแล้วนะถ้าว่ามนุษย์นั้น ย่อมที่จะเป็นสักขีพยานต่อตัวเองอะไรที่เราทำชั่วเนี่ยพอถึงวันอาคราสเนี่ยเราเนี่ยจะรู้ตัวเองดีอย่าว่าแต่วันอาคราสอะไรผมว่าแม้กระทั่งในโลกดุนียาเองเราก็รู้ตัวเองดีวันอคัคราสเนี่ยเวลาที่เราจะาลาแจกแจงว่าเราทำตรงนั้นตรงนั้นบาปตรงนั้นทำผิดตรงนั้นอะไรตรงนี้เนี่ย เรารู้ตัวหมดทุกอย่างเลยเรายอมรับหมดทุกอย่างตอนนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะวาตาแล้วถึงแม้ว่าเราอัลกามาซีรอถึงแม้ว่าเราจะหาข้ออ้างมาหาข้ออ้างมาบอกว่าบางทีเราก็อยากจะหนีจากเอออัลลอฮฺที่ฉันทําไปวันนั้น <laughs> มันเป็นเพราะนั้นเพราะนั้นเพราะนั้นหาข้ออ้างมา แต่ข้อตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยตอนนั้าอัลลอฮฺทรงตรัสละเพราะเราเองรู้ว่าที่เราทําไปเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถูกต้องไหยครับถึงแม้เราจะหาข้ออ้างมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยพอถึงวันอาเครัตปุ๊บมันจะไม่มีประโยชน์วันอาเครัตเนี่ยอัลตัลาาห์จะบอกว่าสภาพของเราเป็นยังไงอัลตลลาห์จะไม่ให้ปากพูดนะเพราะว่าถ้าให้ปากพูดดีแน่นอนว่า ร้อยแปดพเก้ามนุษย์ย่อมที่จะมีข้ออ้างที่จะทําผิดต่อร่องสุภาเนาะต า, าละหรือจะไม่อยอกทำผิดต่อพระองค์วันอนัคราเนีย่ยละตาละจำไหมปากพูดอีกต่อไปสุรยาสินที่เราอ่านอ่อานบไปสุรยาสินนะใครจําได้ใครชอบอ่านสุรยาสินสุรยาสีนที่อัลตัลลับอกว่าอย่างไงครับจําได้ไหมยามานักติมู เอะใครอ่านสุราชีนได้บ้างเดี๋ยวจะอาให้ฟังเสร็จแล้วท่าาบอกว่าพระองค์ทรงปิดเนี่ยอันเลี้ยวมันอัติโมภาษาอัง اليوم นั الي الي ال ่ขึมุอ่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่อะ่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่ับ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ว่าทูลมเน่าอีดิฮบมือจะพูดแทนว่าจะ شهد อัจรุหุมท้าจะเป็นเป็นพยานบีมากานูยากสืบูุในสิ่งที่คนเหล่านั้นในสิ่งที่มนุษย์นั้นทาในอีกสุราหนึ่งนะสุราละฟิรเนี่ ไม่เพียงแค่มือกับเท้าไอ้ฟุติลลัสนะครับไม่ใช่เฟนุดอร์ฟอเรสต์สุรลตน์ฟุตซิลลัตเจ้าละต้าลาบอกว่าคนก็เฟรน่ะวันเยื่อมาเยื่อชั่วอัลลอฮ์อิลลัลนารเนี่มยูซาอูณ์ พอเข้านารกเนี่ยก็พยายามที่จะหาข้ออ้างหาข้อต่อรองกับอัลลอฮ์สุบฮาวต์อัลละอัลาอัลล์ตางก็เลยให้ตาของเขาหูของเขาตาของเขารวมทั้งผิวหนังของเขาเนี่ยเป็นพยานหมดเลยแล้วคนพวกนี้เนี่ยก็จะพูดกับผิวหนังของตัวเองว่าอย่างไงว่ากาลูลิจูลูดิฮิมลิมัชฮิตตุมอะไรนะอะไรกันเนี่ยพวกเจ้าเป็นภักขีพยานให้กับเราทำไมเนี่ยว่าตัวเอง ว่าตัวว่ากัว่าต่อ ว, ว่าผิวหนังของตัวเองเสือกอะไรเนี่ยเสือกอะไรมันพยานให้กับฉันเนี่ยทําไมเนี่ยอละต阿拉นะบอกว่าผิวหนังในพูดกับเจ้าของของมันว่าอัลลอฮฺอัลละตลาให้เราได้พูดเพราะว่านะอัลละต阿拉มีความสามารถที่ทําอย่างนั้นอัลลีอฮฺที่อัลละตลาสามารถที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ย พูดออกมาได้วันอาคราสเนี่ยเาแต่ล ะ, ลจะใจผิวหนังเนี่ยพูดออกมาเป็นสักขีพยายามต่อความชั่วหรือบาปของมนุษย์นี่คือความหมายของอายะห์ที่ว่าเบลิลอินซานุอัลานฟซิฮีบาซี ร, นรมนุษย์นั้นเป็นพยานต่อตัวเองว่าเราอัลกามะซีรอถึงแม้ว่าเขาพยายามที่จะหาข้ออ้างให้กับการละเลย การระทําผิดของตัวเองอยู่ตลอดอยล้พี่น้องครับนี่คือสภาพในวันอาคีรัสเราจะจัดการกับสภาพนี้อย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้ละตะละอธิบายสภาพของวันอาคีรัสให้เราเห็นหมดแล้วคือการที่ละตะละอธิบายสภาพสิ่งที่เราเจอเจอในวันอาคีรัสนี่ถามว่าละตะละละตะละอธิบายโดยไร้เหตุผลหรือ อธิบายเฉยๆโดยที่ไม่ต้องการให้เราเรียกติ้งไม่ต้องการให้เรามีปฏิกิริยาต่อการอธิบายของลอตตาลาที่อธิบายถึงวันเหล่านี้เลยหรือคือเราฟังเฉยๆไม่เอากลับไปใช้เป็นบทเรียนอะไรกับกับตัวเองตอนที่เรามีชีวิตอยู่เลยหรือถ้าถามว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าในวันอัคราเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เวลาที่เราทําผิดแล้วเราจะไปขอต่อรองกับลอตตาลาเราก็ต่อรองไม่ได้แล้วเนี่ย อะไรที่เป็นบทเรียนที่เราจะเอามาใช้เป็นรูปธรรมในขณะที่เราลมหายใจของเรายังมีอยู่ในชีวิตดุนยาอนี้พี่น้องคิดว่าเราควรจะต้องทำยังไงเราควรจะต้องจัดการกับตัวเองอยังไงถ้าเราคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะไปอ้างต่อหน้อัลลอตาอลาไม่ได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะอ้างได้ไหมเรามีข้ออ้างอะไรไหมตอนนี้เรามีข้ออ้างอะไรบ้างหรือเปล่า ลองคิดดูซิว่าทุกวันนี้เรามีข้ออ้างอะไรบ้างเอามาเรามีข้ออ้างที่จะไม่เรียนมีไหมข้ออ้างที่จะไม่เรียนมีข้ออ้างที่จะไม่อิบัตดักรอ a l l a มีข้ออ้างที่จะไม่อะไรอีกเยอะแยะมากมาเลยมีข้ออ้างที่จะไม่ทําดีมีข้ออ้างเยอะแยะเนี่ยพยายามจัดการข้ออ้างต่างๆก่อนที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยให้มันเหลือน้อยที่สุด ให้ได้ข้ออ้างมีเป็นร้อยเนี่ยพยายามลบข้ออ้างออกให้หมดสักหน่อยนึงได้ไหมนะต้องมุจฮ า, าดะกับตัวเองต้องพยายามช่วยนะครับอะไรที่มันเป็นข้ออ้างข้ออ้างข้ออ้างข้ออ้างข้ออ้างทั้งหมดเนี่ยพยายามจัดการเสียให้มันหมดไปไอข้ออ้างต่างๆเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปอ้างอีกต่อไปในวันอัคราสพอถึงวันอัคราสเราจะได้เดินไปแบบ ไม่ต้องอ้างอะไรต่ออัลลอฮ์สุบฮามต์ อ, อะไรอีกต่อไปเราจัดการหมดแล้วไงในโลกดุนยา this ไม่ต้องพกไม่ต้องพกข้ออ้างทั้งหมดเนี่ยไปบอกอัลลอฮ์หรอกในวันอาคารัดเพราะมันไม่มีประโยชน์รีบจัดการกับข้ออ้างต่างๆที่เราที่เราบกพร่องอยู่ที่เราละเลย อ, อยู่ที่เราเประวิงเวลาอยู่ตอนนี้ให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่เราสามารถจะจัดการได้อัลลอฮ์สุบฮามต์อะไร อ l l a h u s s u s t a i นะครับอ l l a h u s s u s t า i n ไม่ผูกแล้วไม่ก็ว่าแต่ล l l a ขอ آ ا ร่วงัติ Allah ซุบฮะตั้ง Allah ให้สบเฉยเหลือเราให้เรามีความเข้มแข็งในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติให้ดีที่สุดฮนะุนละตีขละกลมตวันเฮียยับลุวะคุมไอยุคุมอัพสันอัมมาละนะครับใครที่มีการดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดนะครับไม่ต้องไปดูคนอื่น ไม่ต้องไปตำหนิคนอื่นไม่ต้องไปด่าคนอื่นไม่ต้องไปหาข้อเสียของคนอื่นรีบหาข้อเสียของตัวเองก่อนที่เราจะไม่ม<อ>ีเวลาได้จำกัดได้กำจัดมันนะครับแล้วเราก็จะไปอ้างต่ออัลลอฮ์เสมอแต่ละในวันที่ข้ออ้างใดๆไม่เป็นผลอีกหน้าพระองค์อัลลอ์อัลลอฮะระลังละม์ซุลลัลลอฮฺอานะบีนฺมุฮัมมัดินฺะลาอฺลีุลซฮบิลลัลลัลละซุบฮานะร์บิคาร์บิลอิล์อิซัตเาะัยิฟุนัลสลามุนัลลฮมุลลิลล